เวลาเรามีน้อยฟั่งเทศก่อนแล้วอาจารย์มันก็นทำพิธิกรรมพิธีเกินช่วงเยอะเวล า, วลาจากนี้ไปสามวันที่ยิงสองวันสองวันครึง่งเสร็จมาเป็นในคำะกระบวตรชีพามวันนี้เป็นวันที่พวกเราน้อมแล้วก็ตนคุณกองก็ธิเจ้า ที่ทำให้เรามีมันได้ขอ้ขอองค์วางหลักการวิธีการในการทำงานมีครบทั้งหมดหลักการอุธีการวิธีการในเดือนสามก็คือมาคาอ์ น, นีคนที่มารวมตัวกัน1250กะรวนเป็นที่พระองค์ปั่นมากันมา หลังจากที่การทัศรูแล้วเก้าเดือนไปทัศรูเดือนหกอาปสเ ร, 6, รารก็คือวิชากานีเองเร า, าดูเจตนาลมถ้าไม่มีเหตุการณ์ในวันนั้นถ้ามมนมีพุทธเจ้ามันจะเรียกศาสนาอะไรในโลกนี้ อินเดียในสมัยนั้นคนนี้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้นำาปสู่ความเชื่อเรือลัตทีใหญ่ๆที่เป็นหลักก็นในแค่หกคนนั่นก็แปลว่าไม่ได้มีพระพเจ้าข้อองค์เลียวที่มีความเชื่อที่ปฏิบัติต่อกัอนมาหลกหากหลายความคิดแต่ป็นที่น่าสังเกตว่า แต่ความเชื่อนั้นไม่มีความเชื่อไหนที่นำไปสู่กันข่ากันตายนำไปสู่ความขันแยง้งหรือว่าทเลาะบอกแว้งล้างกันนานห้าร้อยกว่าปีเร่มมีผู้นำศาสนาใหม่คนนำโลกล้างกันนานอีกห้ารอยกว่าปีเริ่มพันกว่าปีแล้ว กำลังสศาสนาหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อชาโลกในปัจจุบันก็าเคสามศาสนาคือพุทธคริสต์แคืออิสลามอันนี้ต้องเอ่ยชื่อในงานก็ไม่รู้จักที่เอ่ยชื่อไม่ได้แวลโคดีหรือเขาพี่ดีไม่ชื่อเพื่อรู้ว่ามีหลักการความคิดการเผยแพร่ศ า, าสนาทํา ต, ตามกันมา ในปัจจุบันนี้ศาสนาที่คนนับถือเยอะมากว่าทั่วโลกก็คือคริสต์อิสลามถ้านับเป็นประชากรประชากรบนโลกวันนี้ 8,000 ล้านอำนาจปัจจุบันน่ะแปดพล้านคนคนจีนพูดเราน่าจะเยอะ ไทยอินเดียจีนซึ่งจีนกับอินเดียรองกันแล้วเกือบสามพันอินเดียก็พันสี่กันแล้วจีนก็พันสี่ห่างกันนิดหน่อยตอนนี้ประชากร น, นี่อินเดียแซงแล้วเมื่อก่อนเราพูดถึกนทีจีนตอนนี้อินเดียแซงเพราะว่าจีนเขาคุ้มคง้หแน่นอินเดียเขาไม่คุ้มคุ้มแน่น แต่วันนึงความประเอ็นหลักหายทางศาสนาโดยรัฐทส่วนประเทศจีนนั้นก็มีมรัฐทิควบคุมความเชื่อจึงไม่สามารถเผยแพร่ความเชื่อนี้ได้ส่วนอิกเดียปร้ากรส่วนใหญ่ยังเข้ามาถึงการศึกษาอย่าเป็นระบบจึงเลยได้พูดภาคนาของพวกเรา สี่ห้าประเทศหกประเทศห้าประเทศรวมกันแล้วประมาณหกเจร้อยล้านที่เหือเป็นบ้านเราเกือบร้อยเปอร์็นต์แปดสิบเก้าสิบเอร์ซ็นไม่กี่ประเทศในหกประเทศอินเดโอเไปทางนั้นก็เกือบสองร้อยกว่าล้านเรามาดูว่าถ้าคนไม่มีศาธนา เราคิดว่าคนไม่มีศาสนานี้นะคนไม่มีศาสนาคือคนไม่นับถือศาสนาไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แกบอกไม่มีศาสนาก็ไม่ใช่เพราะว่าในทะเบียนบ้านมีศาสนาคือระบุแต่ตัวคนไม่นับถือคอยุยแคแกออกไปอีกตอนนี้เราบานผ่านเมือง เรามาดูประเทศแต่ละประเทศเอาแค่เรารอบตัวตะวันตกตอนนี้กม็มีความสุขตะวันตกมองบ้านเรากม็มีความสุขเิน้ามต้องโดถึงตะวันออก น, นี่ก็กาตีกาควบคุม เพระนคนที่อยู่แบบอุดมสมบูรณ์อิ น, นทีย์มันพันเธะดีสุดน่าจะนักดีกันในทางกลางว่าความดีผู้ออกคำแล้ว่าได้เอาใจใส่ในเรื่องศา ส, ะสะนา เหตุผลเพราะว่าเราไม่ได้ครับเราจะต้องเขาวัดต้องทำมามศินภาวนาอิสระเพื่อฝากพวกเราทุกคนมีโอกาสมีเวลาศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจพอไว้อีกหน่อยบ้านเรามันจะเกิดความหลากหลาย จับต้นชวนตายใ้ถูกแต่ที่พอสำคัญคือสื่อชวนเชื่อโฆษณาพระที่ดีๆคนจะรู้จักน้อยลงส่วนพระที่เป็นนักสแสดงคนจะมีความรู้จักมากขึ้น พระที่เป็นนักแสดงคือพระประเภทไห น, นคือพระแสดงตนจะมีเพิ่มขึ้นส่วนพระที่เป็นประเภทแสดงธรรมคนก็จะยอมน้อยลงีงนี้เปล่าเราลองเรี้ยวดูวพระที่แสดงธรรมกับแสดงตน มันแตกต่ตางกันอย่างไรขอดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า เ, เพิเจาร้าแสดงตนแสดงพระองค์หรือว่าแสดงธรรมคาตอบคือแสดงธรรมไม่ได้แสดงพระองค์ว่าพรองค์เป็นราชาหมากษัตริย์จักรพรรด รวยและที่สำคัญคือพระ อ, อ, องค์ไม่ได้สอนนะครับคนคนรวยซึ่งต้อกันข้ามกับในยุคปัจจุบันไปไหนก็พากันไอพรรวยรวยรวยรวยที่มีที่อยู่รวยมีที่เก็บงานรวยไม่รู้เรื่อง ก็ไ ม, ม่คิดเตารวยเพื่ออะไรเห็นวธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นของโลกเป็นทุนเดิมดีแล้วเพราะนั้นองค์ไหนที่ซ้อนรักนาะอย่างนี้ให้พรรักนาะอย่างนี้ก็จะไป่เข้าไปหาสุดท้ายคนที่รวยคือพระไม่ใช่จง มันก็จะเป็นอย่างนี้เรบผิดเพี้ยปวดมาปวดมาหลายเหตุหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เพราะความรวยสุดท้ายก็ฆ่าทั้งคนฆ่าทั้งพระความรวยฆ่ากันฆ่าถึงเมื่อวานพวัวโหดาก็กระจ้าพระด้วยกันเป็นร้อย สองรอยล้านเกิดจกการั่งยอกริภา่า็นะเพราะเราไม่ฝังผร้พุทธเจ้าพู้เจ้าทิ้งของผู้นี้หดเลยหันหลังหดสมบัติที่ทุกคนมองไม่เ็นมีทั้งสี่ทิศของเกงระของโ์งกินยังไงก็ไม่หมดเอาของที่ไม่อยู่ยังไงก็ไม่หมด แล้วผองทําทำไมไม่เอามาติดตัวมาสักบาทในวันเข้าป่าในวันไม่ขมะดงานหลังเข้าสู่ป่าไม่มีเงินติดตัวสักบาทแต่พระเรากับซ้อนให้เขาเองเราคุยคุยกันสองเรื่องก็คือกกเรื่องโลกเขาทำเรื่องโลกเขาคอยเป็นเรื่องโลกเขา โลกเขาก็อยู่ด้วยเนี้ยด้วยปัจจัย4ตัวแปรของปัจจัย4ี่ก็คือสตางถ้าไม่มีสตางก็บเปลีสภาพปัจจยอื่นเลยไได้สงครามเกิดขึ้นก็เพราสะสตางนี่แหละคือผลประโยชน์นี่แหละไม่มีอื่นนอกจากอันนี้คือโลกนะถ้าอยู่ทำการอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ ส่วนใครทำโดยว่าอันี้คือเราเราคือผู้พ่อให้สติไปที่ไหนก็ไปให้สติไม่เคยไปเอาสถาไปให้ไปแจกสติคือไปทมให้ทุกคนมีสติคือเราพุโทโพุทธิปุโรหิตเจงตอนนี้ไม่เกิดขึ้นกับเรา คือผูไม่เคยพูดตื่นไม่เคยผู้เบรกบนไม่เคยสภาพของเราก็าเลยเป็นอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้เป็นวันที่พระองค์ประกาศน้หลักการอุดมการวิธีกรารเพื่อให้การประสบพันสองร้อยห้าสิบรูปนั้น จริงๆแล้เป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นเป็นคนที่มีทั้งคุณภาพและก็คุณธรรมถูกโรคใช้เวลาไม่ขี่เดือนผลิตปุ კ กรที่มีคุณภาพเงนินพวกเราสุดท้ายไปหลังตัวหลังก็อาดา น, นิสงนมาอย่าให้พวกเราศึกษาจริงๆว่าพุทธเจ้าที่วางหลักการมีเหตุมีคน มีผลจนถึงปัจจุบันก็คือหลักการสามหลักการสามคือหนึ่งให้เราทำบุญทอะไรง่างยๆนะี้เพื่อทำความดีนะี่ทำต่ำดีโดยการทั้งสองสองคือเว้นความไม่ดีทั้งหลายจะโดยทางกายทางาจาทางใจ สามก็คือสารวจตัวเราตัวเองคือชำระคือยำระด้วยสิลอันนี้คือหลักการต้อใครเข้าถึงหลักการานได้คนนั้นก็คือเข้าใจใจสิกขาใจสิขกขาก็คือหลักๆก็คือพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ปัญญา เขได้สอนคืออุดมการอุดมการจะมีเป้าหมายมันต้องมีเป้าหมายเป้าหมายนั่นคืออะไรคือพันิพ์านคนนี้ก็พนันธุพานจะต้องทำอย่างไรจะทําไม่เบียดเบียนโดยกายโดวยใจ ไม่เปลี่ยนตัวเองไม่ เ, เอื้อยนผู้อื่นก็สคือต้องไม่ทําให้ผู้อื่นลําบากไม่ทำให้ตัวเองลําบากอันนี้คืออุดมการหลังจากนั้นก็พิธีการวิธีการคือเท่ากับหลักการและอุดมการคืหนึ่งคือต้องมีความอดทนเป็นหลัก ทนใจก็จานั้นก็คือควบคุมกายกันที่องที่มันแสดงออกเช่นการโดยแผ่การพูดกญญารแสดงออกต้องเป็นการพูดที่ทดีดีไม่กล่าวร้ายไม่ใส่ร้ายอนุปวโดอนุปาคาโตคือไม่กระทบกระทั่งคนอื่นเขาไม่เสียดสีย่งยีเย็ดยาำคนอื่น เรือ่องศาสนาอะไรก็ตามนี่หลักการเแพร่ัารการแสดงทำก็ดีการแสดงตนก็ดีถ้าไปเบีเยดตัวเองบเบียนเพื่ออื่นเสียดสีตัวเองอเสียเสียผู้อื่นเกิด ค, ความเสียหายมันไม่ใช่วิธีการของพุทธิยาวที่เราเป็นๆอยู่ทุกวันนีโตกันไปเติบกันมาอนุปนระวันรูปคาโตแค่สองคำนี้ เราก็ปิดหลักของพรธสจานะตินี่ที่กันกค แ, แสดงตนคื อ, อวดโองเธออย่างมากโดยพระอวดของที่ไม่มีในตัวเองเลยปรับหนักถึงค่าจะความเป็นพระเลยนะที่พูดพูดแสดงแสดงว่า อ, อวดอวดในสิ่งที่ตัเไม่มีซึ่งชาวบ้านเขาก็ไม่เข้าใจ ไม่มีอะไรสักอย่างเป็นออกพระเหลืองมองสองปีสามปีห้าปีแปดปีไปถึงสิบปีเป็นพระหลักการอะไรกันเล้วเริ่มมีเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เรามาน้อมเราเลิศเลืกถึงคุณขอาพระพุทธเจ้าที่ฟ้องฟาหลัากการอันนี้ไว้ พูดง่ายๆก็คือคบ้านเราง่ายคือศีลสมาธิปัญญาหลายเดือนที่ผานมาพยายามที่ให้พวเรามองเห็นเป็นรูปธรรมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราสอนกันมาจนกลายเป็นสัญญาคือความจังส่วนในทางปฏิบัต ทำอย่างไรถึงจะเข้าใจหลักการนั้นทั้งที่เป็นรูปธปรรมแล้วก็นามธรรมปร ะ, ะจำเป็นตำราส่วนที่เป็นรูปธปรรมนามธรรม ท, ที่จะทําปฏิบัติกันอย่างจริงจังในชีวิตประจำวันต้องบอกว่านั่ชีวิตประจำวัน เราเข้าใจหลักการ น, นี้อย่างไรและที่สําคัญคือทุกทุๆวันในชีวิตของพวกเราทําอย่างไรจึงจะให้สิ่งเหล่านี้หรือว่าเข้าใจสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนี้จนนําไปสู่การปฏิบัติคือการเห็น S <S <an> เห็นที่เป็นรูปธรรมก็ดีนามาทำก็ดีเห็นนี่คือเห็นด้วยตนเองคนอื่นเราเห็นมาเยอะชีวิตเราแต่ตัวเองมันไม่เห็นต่อให้เกิดมาหกสิบเ็ดสิบแปดสิบีที่จะเห็นตัวเองจริงจริงน้อยอันนี้คือหลักการ ทำไมถึงไม่เห็นคำตอบง่ายๆก็เพราะเราไม่ดูสันส้นๆเราไม่ดูของเขาไม่เห็นเมื่อมันไม่เห็นมันก็ไม่รู้เกิด อ, อวิชชานนเนี่ยเพราะท่านไงท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง อธิบายเปรียบเทียบให้ฟังสามภาพช่วงช้าเราจะพูด แ, แค่นี้จบสามภาพก็จะลงแล้วเจะใช้เวลาทํางอืภาพแรกจริงจริงในอยากจะมีศิลปินนักศิลปินศิลปะศิลปะเปิดวาดภาพให้พวกเราดูภาพจะหนึ่งภาพสองภาพไปสามเราจะเห็นภาพรวมวันหลังจะให คนที่ชิีนวาดภาพได้มาเจกกันภาพแรกก็เบิดแต่พวกเราอันเะน่ะแต่ตัวหลากหลายเสื้อผ้าอาพรสูงต่ำดําขาวผู้ชินผู้ใช้ยเดเลขคนชราวา่ากันไปอันนี้คือภาพทัวทั่วไปหลากหลายต่างวัยต่างเพศ อันนี้คือาพแรกเหลียวภาพทั่วไปภาพที่สองที่เราไม่เคก็คือข้างในตัวเราย้ายพวกเราบมานภาพมาครึ่งหนึ่งอย่างนา้นครึ่งหนึ่งเอาเป็นคนสมบูรณ์เนี่ยแขนขาตาจหมอีกครึ่งหนึ่งมองเข้าไปทั้ง เห็นตับใจใส่พุงหัวใจใส่น้อยใส่ใหญ่อุจาราปัสาวะนี่คือเริ่มเริ่มเห็นเห็นของจริงในตัวเราซึ่งทุกคนีนต่แต่วันเราได้แต่พาลานายังคเมิกาอยู่กายของเรานี่แหละจำนไม่เห็น เราก็พลนานามก็ดีอย่างนั้นก็ดีข้าจะสอนอยากให้พวกเราเห็นอย่างนี้ <S <S นในตัวตนของเราเราจะได้ระมัดระวางอมไม่ต้องไปกินเยอะกินเข้าไปมันก็เป็นอย่างนี้กินเข้าออกออกไล่เข้าแล้วออกไล่เข้าออแล้วออ ก, ออกที่เราบอกสะอาดสะอานสูงต่ำดำขาวล้อเคี้ยวข้างในนั้นสะอาดไหย นั่นคือภาพที่สองภาพที่สามสมมติว่าหนึ่งสองสามมันไม่เหนื่อยเลยเหลือแต่โครงกระดูกจริงๆน่าจะเอาโครงกระดูกด้านหลังมาตั้งไว้นะเรามีโครงกระดูกอยู่ด้านหลังที่มุมตรงนีนะ้เอาเรามาตั้งไว้นี่คือภาพที่สามเปลว่าอะไรเสื้อผ้าอับพรผ้าแพรไม่มีละ หลอสูงจ่ำดำขาวพ้ อ, อคนเลยที่แตโครงกระดูกมันไม่มีเพศมันมีไว้ไม่มีชื่ออไม่มีขับละอ่านอะไรทั้งสิ้นเลยโครงกระดูกอันนี้คือภาพของตัวเองตอนนี้เราอยู่ในภาพไหนภาพแรก แค่ภาพแรกเราก็ยังไม่หวานเนี่ยติ้งตองทิ้งตอเนี่นะเรียติ้งตอ ง, นะต ง, ตองมันบอกว่าติ้งตอง ต, งตองอ น, นี่คือภาพแรกภาพแรกตัวกับกั บ, ต, กบตัวปราบภาพแรกได้คือบุคคลนั้นต้องมีสินสินน่ะเอามาใช้กับภาพแรก พอามาใช้ก็แปลว่ากำกับดูแลคือกายวาจาถ้าภาพแรกคือกายวาจาควบคุมไม่ได้นี่แหละสงครามสงครามทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะอันนี้สงครามที่ทำมาสงครามโลกก็พระอันนี้ แล้วที่สำคันคือเราก็่วงแค่ภาพแรกตั้งแต่เกิดจนตายติดตาเราแค่ภาพเดียวคือภาพแรกอันนี้แค่ภาพแรกเราก็ไม่พ้นนะภาพแรกนี่กำกับด้วยสิ่ภาพที่สองมองไปคาไหนตับไตใสปุง ขห้นเใช้ใกับร้างอาหารอันที่อูความเป็นมาครับว่าโอรโรโร่ที่มีอยู่หลายแรลกับพวกไอ้ตัวนี้ภาพนี้คนที่จะเข้าใจภาพนี้ได้บุคคลคนนั้นต้องมีสมาธิสมาธิกันงเกิด จะเกิดโดยนิมิตอกหานิมิตปฏิภาวานิมิตอะไรก็แล้วแต่มาตเปนิมิตคือถ้องมีเครื่องหมายเพราะฉะนั้นถ้าการนั่งสมาธิแล้วยังไม่เห็นตัวเองคือยังไม่เห็นทั้งนอกทั้งในนี่การปฏิบัติธรรมของเราการนั่งสมาธิของเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันยังอยู่ข้างนอกอยู่คืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมันไปปรุงไปแต่งข้างนอกลุ่ไม่มีที่สิ้นสุด ในเห็นเรงระยะการแสดงทางกับการแสดงตนการเห็นคนอื่นกับการเห็นตัวเองมันแตกต่างกันอย่างไรนี่ข้อที่สองสมาธิถ้าเราไมมีสมาธิไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ภาพที่สามเป็นภาพที่เราแน่นอนที้สุดก็คือยังไงก็ไม่เห็นเพราะว่า กว่าจะเกิดภาพที่สามนี้ได้เนี่ยจิตมันก็ออกจากทางไปแล้วมันไม่ได้สนใจว่าหล่อสวยงามส้มดำดำขาวมันเหลือแต่กระดูกเห็นว่าเคยมีเคยเป็นอย่างนี้มันเหลือแต่โครงกระดูกซึ่งมันก็มีอยู่ตัวเราทุกคนร่านภาพที่สามเคนที่ไม่มีปัญญามองไม่เห็น ควมที่มีปัญญาเท่านั้นทีจะบองเห็นภาพสิ่งนั้นจริงๆแล้วมันมีภาพที่สีแต่วาดไม่ได้เพราะมันมีแต่น้ำคือจิตใครวาดภาพคนจิตได้นึ่งไม่ใช่เพราะออกจะล่างไปแล้วทั้งสามภาพอันนี้ พู้องค์จนจะตัดสิ่งเหลานี้ว่ามีเหมือนกันหมดคือสามัญ ล, ล, ล, ลักษณะและที่สำคัญคือใจลักษณะสามอย่างก็คืออันนี้คือการเกิดขึ้นมอยู่แลก็ดับไปเรียกว่าวิปัสนาอย่างนั้นคํำวิวปัสนาคือต้องเห็นสิ่เหล่านี้ให้ครบทั้งกระบวนการเราจึงเรียกว่าวิปัสนา ไม่งั้นมันก็ให่พิสัสธนึกคือนึกตัวเองพอสานักสลายแหละก็ถามก็ถามความรู้สึกนั่งแล้วเป็นยังไงก็เรียกพิพิธนามันไม่ใช่วิพิธนาคือรู้เห็นแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางตามธรรมชาติของเขาพิพิธนาร์ไมโครโฟนกลางๆเรานั่ น, ปนนะเป็นตามกระบวนการของเขา แต่จะลืมไอ้ตัวที่มันไปต่อนะมันยาวนะขอแค่ภาพหนึ่งสองสามเรายัางนึกไม่ออกเลยเราจงปล่อยเรายัางวางไม่ได้แค่ภาพแรกเรายัางวางไม่ได้เราจะไม่เข้าใจสุดท้ายก็อุปทานยึดถือซึ่งกันและกันผู้ชายก็ยึดผู้หญิงผู้หญิงก็ยึดผู้ชา ย, ย, ชายสุดท้ายเอาถึงชีวิตเอาถึงตายเป็นข่าวทุกวันเพราพระภาพแรกคันนี้ ก็ยังไม่เข้าใจภฏิสัมมันก็ไม่เกิดเพะฉะพวกปฏิบัติธรรมถ้าเข้าใจหลักการอันนี้นี่คือหลักการที่พุทธเจ้าวางเอาไว้ก็คือศิ้นสมาธิปัญญาถ้าภาพทั้งสาอย่างเนี้นเราไม่ยังเข้าใจอยู่เนยะไปปฏิบัติสนักไห น, นก็ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมองไม่เห็นภาพทั้งสามอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมองเห็นภาพสามอย่างนีน้เร็วที่สุด ในขณะจิตยิ่งดีหมายกว่าเห็นภาพแรกภาพสองภาพสามเห็นแล้วต้องจบทันทียิ่งเร็วยิ่งดีอันก็แปลว่าถ้าใครยังไม่เกิดปัญญาแล้วจะไปมองเห็นได้ยังไงไมปัญญาม่เกิดมองไม่เห็นมันไม่ได้เป็นวิปัสนามันก็ได้แค่ปัสน์คุณนลวก้อง อันนี้คือวัตถุประสงค์การปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นช่วงระยเวลาที่เรามีอยู่เราจะมาศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อหนึ่งคือซ้ำรวมต้องใช้คำว่าส้ำรวมคือไม่ใช่กับภาพแรกกันละล้วสองารระวังเรการกินคือใช้กับภาพที่สองขั้ที่สองเกี่ยวกับการกิน ถ้ามีการกินอยู่ไม่ได้ร่างกายเมื่อกินเสร็จแล้วมันก็เป็นของเน่าของเสียมันเน่ามันเสียแล้วมันต้องออกมันออกมันเข้ามันออกมันเข้าเยนี้อันนี้คือภาคที่สองเรื่อการกินไม่ใช่เรื่องเล็กนะการกินภาคที่สามคือสติใครไม่มีสติจะไม่รู้จักเัวเอตอนนี้คือนึกไม่ได้ถ้าพูดยังไง คนที่มีสติคนนึกไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อ ว, วลาที่เรามีอยู่เราจะมาบึกสิ่งเหล่านี้ให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนโดยพ้องจริงคือเหตุตัวเราเองทั้งสามภาพทั้งหมดเนี่ยถ้าใครไม่สามารถอยู่ในรูปหนึ่งสองสามสีได้สุดท้ายเราก็ไนดะ้แรกแค่รูปแรกรูปแรกเราก็แค่ไม่ผ่าน แค่รู้แรกก็ไม่ผ่านพูดง่ายคือแค่ทั่วทั่วไปเรายังไม่ผ่านเลยกันที่สองคือเห็นตัวเองจริงนะกันที่สามคือวางคือวางอารมณ์กับท่าสีการานี้แต่อันนั้นคือหลักหลักการในการปฏิบัติหลักคิดหลัพูดหลักทบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลคือมาสรุปจบลงที่ ตัวเราเองอ น, นี้พูดง่ายๆสามภาพนใี้ใจสรุปกำสอนของพระพุทเจ้าชัดเจนหลักการบูชาอย่างนี้วิธีการบูชาเป็นอยนี้แต่กับเป้าหมายเันดับก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอย่างน้อยสุดๆภาพแรกเราเห็นมาเยอะแล้วทั้งชีวิตเผียงบูชาเด็กคนจะได้เกิดแก่เจ็บตายในภาพแรกภาพที่สองนอย่างคือไม่อยู่ในกระบวนการของคิดของเราเลย รู้ถึงเดียวว่ากินสองมือ้อสามมือ้อกินแล้วมันไปไหนไม่รู้กินแล้วสภาพมันเป็นยังไงไม่รู้นี่คือราคาสติเพราะว่าราคาสติเมื่อไม่มีสติปัญญามันก็ไม่เกิดอันนี้คือหลักใหญ่ใจความพระจำนชานเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอยากให้พวกเราเน้นสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดที่ยนะิได้เพื่อให้เห็นภาพเหล่านี้ด้วยตนเอง เราก็จะว่าจีเรียนรู้แล้วตัดใจด้วยตนเองว่าชีวิตเรามันไม่ได้ยาวมันมีแค่นี้เองเมื่อวนหนึ่งเหลือแต่โครงกระดูกแล้วคือหมดลมหายใจแล้วมันไม่ได้หมดแค่ลมหายใจแล้วหมดเลยจิตตัวนั้นมันไปต่อมันเป็นพบมันเป็นชาติอย่างนี้วนไปเวียนมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วแต่พระองค์รู้จักเริ่มยังไงเข้าใจ ก็เริ่มจาตัวเรานะห้เป็นรูปธรรมนะจะจะได้ก็มาดูนามธรรมนี่คือรูปธรรมนามธรรมคือรูปของเรากายของเราถ้ า, ายังไม่เข้าใจรูปธรรมนามธรรมกายของเราไม่มีทางที่ปฏิบัติจะ ง, ง่ายก็มันไม่มีทางจะประสบความสุขรได้นี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเปียวโลกกรทำโลกนรกก็ทำเพื่อเอาแต่มาก็จะพูดชีวิตเสมอ เรื่องโลกเขาทำเพื่อเอาแต่ฝ่ายทำเนี่ยทำเพื่อทิ้งก็คือไม่เอาคือทำแล้วสุดท้ายก็ทิ้งหมดไม่ได้ความดีความไม่ดีมันต้องอยู่เหนือความดีความไม่ดีคือจิตเราต้องเหนือสิ่งนี้นไม่งั้นมันก็จะติดคือติดดีติดไม่ดีคือมันคลองอยู่จิตที่มันคลองอยู่กับดีและไม่ดีเนี่ยเรียกว่าสัตตะแปลว่าผูกข้อง ข้องอยู่ที่ไหนชนี้ข้องอยู่ในช้อยู่ในการว่าการมาพบชนิดรูปโอรูปโอพบสิ่งไม่มีรูปที่ว่าอรูปโอพบ ก, ก็ชื่อว่าเป็นผู้ข้องคือสัตั๊กเพดานเท่าไม่ทําให้มันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้ล้วก็ข้องอย่างแล้วพระพุทธ ก, ก็ทำเป็นตัวอย่างพวกเราดูเล่าหลายรอบก็เพื่อเป็นประโยชนย์ก็ร้อยร้อยฟังแล้วสุดท้ายรูปธรรมานามธรรม ก็คือสิ่งที่พค์ปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยพุทธายุสอนฤาษีฤาษีหาว่ารูปธรรมนามธรรมตามการที่พวกทำได้ก็การธรรมริโ อ, อจากการมในวัยยี่สิบเก้าปีก็เข้าป่าแล้วได้คำะเหมือนที่เราทานี้การธรรมนิโ อ, อจากการมคือไม่ใช้สร้อยการมไม่บริโภคการ ม, รารมรในผลงานนี้ มันก็คือข้อแรกคือการบริออกจากการบริโออกจากการเสร็จแล้วสุดท้ายพระองค์ก็มาเป็นในข ม, มันนากกรณีเรียกอุจกรรมวาระสุดท้ายจริงๆก็คือก่อนที่พระองค์จะปริพันธ์คือดับจิตอกใจร่างพระองค์ก็ทําให้เราดูก็คือเข้าชานรูปฌานอรูปฌานคือรูปโอภคการูปโอภคนั่นแหละ ส่วนทีเป็นกรารมาพบไม่ต้องไปพูดถึงไม่มีแล้วกรารมาพบตัอดออกไปเลยเพื่อจรูปเขาารูปพวกเข้ารูปกระชานออกจากรูปประชานเอารูปกระชานออกจากอรูปกระชานสุดท้ายก็ออกแปลว่าคงไม่คล่องอยู่ในกรารมาพบรูปบอบบกรูปบพบพบกขจิตเพราะนั้นคำวิธีพานก็คือเหนือสิ่งเหล่านี้ เหนือจะรู้พบพบรู้บพบคือการออกจากสิ่งเหล่านี้คือจิตมันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ซึ่งต่างกับพุทุชนทั่วไปมันจะูล้องอยู่ในขามข้องอยู่ในรูปข้องอยู่ในอารูปุปคือถิบมันก็ต้องกลับไปวนไปลืนมาอยู่นี้เจอว่าพบก่อนที่เป็นชาติคือเกิดมันก็มาจะพบแต่เรารู้จากใจชาติคือเกิด ววกูแ้คือมาระู้แล้วอ้ชาติคือเกิดพอเกิดเสร็จแล้วก็สมุดข้างหลังเลยที่ตามมาเกิดครั้งแรกก็ไม่มีอะไรครั้งแรกครั้งที่2องเริ่มใส่เสื้อผ้าเอาคนดูนูทํ่มาหากินเกิดแก่เจ็บตายกระบวนการเขาก็ไปเข้าไปเรื่อยจนสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเอาไปเผาเอาไปฝังก็กดกันแค่นี้หลังจากนั้นเราก็ไป่ได้คิดต่อ ก็จะไปอย่างไงเพราะนั้นจ่งรยะเวลาทีรเราอยู่ก็มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติด้วยตัเองอย่างจริงจังความสุร็จประโยชน์ตาที่พระเจ้าฝากไว้สั่งไว้ก็คือพุทธทางธรรมังสังขงารกลั ง, ง, ง, งกระชานี้มันก็จะครบสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่งั้นเราก็ได้แค่ปฏิ ญ, ญาตนตนศีงไม่เหมือนกันรับจากพระกระเตอไปคนมีศีลแล้วจริงๆแล้วของพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครเลย เราสามารถทําได้ด้วยตนเองปฏิยตุลผู้ที่ยากผู้ทางธรรมแตะขําแรงแต่นี้คือการสะพาทานสินก็สามารถทำได้ดตนเองไ ด, ด, ด้ง่ายๆอย่างนี้เร า, รารก็าเยยกชื่อว่าวันนี้เรามาบูชาคุณของพระพุทธเจ้ามาน้อมเริ่มดคุณของพระเจ้าอะพระองค์เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่าง ที่ดีที่สุดในโลกไม่มีที่ติดแต่ที่สาคัญคือทุกคนเป็นเหมือนพองค์ได้ไมได้สุดต่างกับศาสนาอื่นเป็นไม่ได้แล้วก็เมือนไม่มีวิธีบอกเลยว่าเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรไม่ได้แต่ศาสนาเราพระองค์บอกทุกอย่างว่าเป็นเหมือนพระองค์ได้เป็นแง่เป็นพระพิจเจ้าได้เป็นบาตรเข้าใจถึงพระธรรมได้เข้าใจถึงพระสงฆ์ได้ อั น, น้คือศาสนาของเราเพราะฉะนั้นพวกเราเท่านนี้มาเป็นประเทศเราถือโชคดีที่สุโลกความพร้อมทุกด้านบ้านเมืองอื่นเขาไม่มีอย่างบ้านเรารอบบ้านผ่านเมืองเราถึงมีก็อยู่ไม่เป็นสุขของเรา บ, บ้านเรามีบ้านเราเนี่ยทยํายังไงก็ได้จนเราประมาทเลินเล่อไม่เอาใจใส่ก็เป็นจี่รู้กันเสียดายเพราะวันห น, นึ่ง เราเลยได้โครงกระดูกแล้วจิตอ่อนใจลกไปแล้วเราได้อะไรไป น, นั่นจะเป็นตัวหลักใหญ่ใจความเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดตอนช่วงเช้าวันนี้ก็ขออนุโมทนาควาออมดีที่พวกเราทุกคนที่ตัง้งจิตตั้งใจอุริศกายว่าจะเท่าที่โอกาสเวลาที่มีอยู่วันนี้คือกันคือฝ่ายเสนบสนุนเสบียงเป็นเจ้าภาพัตะธานชาววันนี้พีหลายท่าน ไา้คนที่แสดลลงเจตอารมณ์ดุจภาพนนาทางการไฟชราทีเขาแกจะทําเป็นเป็นเรื่องประกาศเต็จไปใครเป็นเจ้าภาพก็หลายคนหลายเจ้าปลาไก่สองวันจางเผือกครแล้วก็อีกหลายเจ้าแล้วตอนนี้ไอ้เรื่องธรมะก็ข อ, อนุโมทนาทุกภาคส่วนที่มีส่วนท้ายเกิดขึ้นได้เป็นฝ่าสยสนับสนุน ให้กำลังกายให้กำลังใจเพื่อให้เป้าหมายของเราสำเร็จดูดวงไปดูดีหรือที่สำคัญคือวันนี้สองสามวันนี้กลับไปได้ขอให้มีสติกลับไปได้คือให้คิดได้อย่าไป้มีภาพแรกก็อยีภาพสองเลยภาพสามก็ไไอย่ให้นึกขึ้นได้เออว่ามีสติเป็นอย่างสำคัญอย่างมากๆก็ขออนุโมนาในความดีของเราอีกครั้งขอความดีที่เราทําในวันนี้ ปฏิบัตาธรรมในวันนี้ครับนี้นทันงจัวแก่บรรเทารุของพวกเราคือพ่อแม่ปูย่ย่าตายายผู้ญิมุนทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พื่อต้องหลายได้กระทําบันเป็นในวันนี้